คนชั้นกลางใช่แล้วก็เป็นพวกมีการศึกษานะโครงสร้างของคนที่สนใจธรรมะนี่มันเปลี่ยนอย่างคนที่มาที่นี่ส่วนมากมนะมีงานวิจัยนะมีคนเขาวิจัยแล้วคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยส่วนมากเ็าเรียกว่ามนุษย์เงินเดือนพวกมนุษย์เงินเดือนทำงานกินเงินเดือนเป็นเดือนเดืนไปเดือ น, ไ, อนไหนตกงานก็แย่่อย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 หลงหายไปเป็นวันๆนนะลยยังก็มีทั้งข้อดีข้อเสียแล้วถ้าฝึกสมาธิมาก่อนแล้วใจถึงๆนะมาวางสมาธิลงแล้วไม่เจริญสติเจริญปัญญามีสติในชีวิตประจาวันให้มากเพราะนี่ไปได้เร็วเพราะจิตมีกำลังไม่มีหลายเงื่อนไขนะอีกพวกหนึ่งก็ทำบุญทำอะไรมาสารพัดเลยนะอยากได้นิพพานทำบุญ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 เหมือนเห็นโตะเห็นเก้าอี้เห็นหมาตัวหนึ่งเนะี่ย <c oughs> เคยชินถจกกนกระทั่งไม่เห็นความสาคัญถ้าหายไปแล้วถึงจะรู้ว่าสําคัญเราเคยชินกับธรรมะจนไม่เห็นมันสาคัญนะนี่พวกเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นพวกเรายังสนใจธรรมะอยู่ในแผ่นดินที่มีธรรมะแล้วเรายังสนใจทําไมานี่พวกเราบุญเยอะนะสนใจธรรมะแล้วพวกเรายังไม่ไปหลงตเตลเิดเปิดเปิงออกนอกลูนอ ก, นอกทางเรามาเรียนธรรมะว่าด้วยการเจริญสติ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 โลกก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงตลอดเวลาโลกไม่เคยสงบ Nixon, สันต evet ิที่แท้จริงยุคใดเรียกร้องสันติภาพมากแสดงว่ายุคนั้นไม่มีสันติภาพยุคใดเรียกร้องเสรีภาพแสดงว่ายุคนั้นไม่มีเสรีภาพยุคใดเรียกร้องความรักความสามัคคีแสดงว่าไม่มีความรักความสามัคคีเห็นไหมโลกมันเป็นหนึ่งนี้โลกมันมีแต่ความทุกข์มีแต่ความแปรปรวน